พระธรรมเทศนาแผ่นที่94ลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่19เมษายน2559มีชื่อเรื่องว่าข้อวัดปฏิบัติวัดป่าบ้านตาดตอนที่3 วันนิพระในวัดของเราส5สบห้ารูปลงมาฉัน38รปูปงดฉันแปรูปสัมาเนนหนึ่งรูปเมื่อวานตอนเย็นเย็นฟ้าร้องฮือฮาฮือกรลมพัดกระโชกมาหลายกระโชกเหมือนกันใบไม้เกลื่อนไปหมดในวัดของเรานะแต่พอตื่นเช้ามา ใบไม้เกลี่ยงหมดพอครูบาหลายองค์ท่านช่วยปันปัดกวาดทำความสะอาดรู้สึกว่าเย็นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะลูกหลานนะพอลมมันผัดกวาดความร้อนไปในระดับหนึ่งก็รู้สึกว่าเย็นขึ้นในวัดของเราวันนี้วันนี้เป็นวันที่ส9เก้เออวันนี้เป็น จะได้บวชพระเนะคณะศัทธาติย า, ยายวงจะมีการบวชพระสองรูปวันนี้พระมาจากกรุงเทพและพระจากอุดรแต่ก็มีความมุ่ง ม, มั่นทั้งสององค์ทั้งสองท่านว่าจะขออยู่ถ้าเป็นไปได้จะ อ, อยู่ในพระพุทธศาสนาตลอดไปหลวงพ่อได้ยินแล้วก็ออพอใจภูมิใจในแนวความคิด ภูตังใจแต่จะเป็นอะไรในอนาคตนั้นคอยว่ากันแต่ตั้งใจทีแรกเนี่ยมุ่งมั่นเออจะให้จิตใจมรรพทุกหมดกิเลสตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวหลวงพ่อด้ยินก็เอเอตัง้งอกตั้งใจภาวนา ไม่เหลือวิสัยทาา่ากับผู้ที่ตั้งใจป ร, ประพปฏิบัติวันนี้เป็นวันที่19เมษายนพุทธศักราช2559เมื่อวานหลวงพ่อได้ไปฉันที่โรงพยาบาลอำเภอนายงแต่วันก่อนหน้านี้หลวงพ่อได้พูดกล่าวเกี่ยวกับปฏิปทาของ วัดป่าบ้านตาดให้กับลูกหลานได้ฟังได้ศึกษานะวันนี้หลวงพ่อก็จะพูดต่ออีกทีหลวงพ่อพอจะจําได้จุดไหนหลวงพ่อก็จะมาเล่าให้ลูกให้หลานได้ฟังเพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาถ้าหากว่าเราไม่พูดไม่กล่าวเรื่องราวก็จะจบผ่านหายไปกับเมฆ ก, กับหมอกกับดินฟ้าอากาศกาดกับการเวลา ถ้าเรานำมาพูดให้ฟังให้ลูกหลานฟังก็ได้มีการบันทึกเป็นแนวความคิดเอาไว้ว่าแนวปฏิปทาของพระโบราณครูบาอาจารย์เก่าแก่สายหลวงปู่มั่นโดยเฉพาะอย่างเย่ยงองหลวงตาที่พระที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทุกรุ่นก็ยอมรับว่าองหลวงตายึดแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นได้มากที่สดุด แล้วก็พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่มั่นก็บอกว่าหลวงปู่มั่นนําปฏิปทาเรื่องแนวทางของพุทธปฏิบัติตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าในหลักพระวินยัยเป็นผู้เคล่งคัดในยุคปัจจุบันพวกเรายอมรับกันอย่างนั้น เพราะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานที่จะเคร่งคัดหรือไม่เคร่งคัดตามองค์ท่านเราก็อย่างน้อยก็ยังถือว่าเป็นธงชยัยเป็นธงที่ท่านพาดําเนินมาอย่างไรพวกเราก็ควรจะเดินตามแนวแถวที่ท่านพาดําเนินพอท่านพาดําเนินมาท่านเราก็ทุกคนก็ยอมรับว่าอติธาตหรือพระธาตของหลวงปู่มั่นเป็นพระธาต เป็นพระรหันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็หลายท่านหลายองค์กระดูกของท่านก็แปลสภาพเป็นพระธาตุให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นเต็มตาเต็มใจของพวกเราเพราะนั้นพวกเราจึงเคารพเค่ อ, อมใสนับถืออย่างที่หลวงพ่อได้พูดเตีเป็นพระใหม่ที่จะเข้ามาบวชก็ยังขอขอมอบกายถวายชีวิต ไว้ในพระพุทธศาสนาก็คือนี่ได้ศึกษาได้ฟังเกิดศรัทธาในจิตใจแต่ต่อไปในอนาคตนั้นเป็นอนาคตนเป็นเครื่องชี้เป็นคนเป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องตัดสินในอนาคตแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นอันนี้ก็คือพวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาศึกษาเพราะนั้นหลวงพ่อเอง ที่ก็ได้ศึกษาจากหลวงพ่อไม่ทันหรอกหลวงปู่มั่นนะแต่ลูกหลวงพ่อเนี่ยทันลูกของหลวงปู่มั่นแต่พวกเราท่านทั้งหลายทันหลานหลวงปู่มั่นต่อไปก็คงจะทันเหลนหลวงปู่มั่นคงจะแหลลักษณะอย่างงั้นแแต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะทันยังไงก็คือเราเป็นพุทธศาสนิกชนพระไตรปิฎก หรือพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือกระจกเงาใบใหญ่กระจกสองเงาใบใหญ่ เ, เราจะข้ามเราจะมองข้ามจุดนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรในพระไตรปิฎกหลวงปู่มั่นก็ยึดตามแนวแถวนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็ยึดตามแนวแถวนั้นมีแต่เอามาปีกย่อยแนวความคิดมาที่เราได้ปฏิบัติไปอย่างไง เดีเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ปลูกผักอย่างนี้แหละวิธีการปลูกทําอย่างนี้อย่างนี้แต่พอปลูกขึ้นมาแล้วนะมันมีตัวบุ้งตัวหนอนมากัดมาซีไมา้ชาัยยังไงในที่เราปลูกนั้นเราก็รู้เห็นแล้วก็นํามาบอกกล่าวว่าเมื่อเราปลูกขึ้นมาแล้วนะปลูกต้นไม้ก็จริงอยู่แต่มันมีหนอนนะมันมีตัวบุ้งนะมันมี ขาดปุ๋ยขาดสารนะควรจะใส่ปุ๋ยเท่านั้นเท่านี้เนละอันนี้คือครูบาอาจารย์ที่ท่านกศครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านมาบอกกล่าวให้กับพวกเราแต่ปัจจัยปีดกุกท่านให้ปลูกต้นไม้นะปลูกผักนะนพูดแต่ลักษณะอย่างนั้นเท่านั้นเองแต่พอครูบาอาจารย์นํามาประพฤติปฏิบัติแล้วท่านจะชี้แจงในรายละเอียดศิลควรรักษาอย่างไง มีประโยชน์อย่างไรสมาธิเมื่อจิตภาวนาจิตใจสงบแล้วจิตมันสวับจิตถือถ่อจิตมันเงียบมันสงบมันเงียบไปเลยแล้วมันสงบหรือมันกําลังจะสงบมันเป็นอากัศกิริยาอย่างไรนี่แหละครูบาอาจารย์ที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้วท่านก็จะแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราพวกเราไม่ต้องเนินชาไม่ต้องเนินชาในการ ป, ปฏิบัติ เพราะครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเป็นผู้บอกกล่าวอันนี้คือพวกเราที่ยึดถือแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ยึดถือแบบงมงายยึดถือที่ว่าท่านปฏิบัติมาอย่างไรเราก็ได้ฟังสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หาฟังได้ง่ายๆถ้าผู้ปฏิบัติเท่านั้นท่านจึงจะแนะนําตรง แล้วก็เราก็นําฟังแล้วก็นํามาปฏิบัติอย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันที่เข้าไปปฏิบัติอยู่องค์กับองค์หลวงตาอท่านดุขนาดไหนอไม่มีองค์ไหนที่จะดุยิ่งไปกว่าหลวงตาที่หลวงพ่อเคยรู้ในพระกรรมฐานเนี่ยนะที่กรรมฐานในประเทศไทยพอหลวงพ่อไปอยู่เกือบเข้าไปศึกษาเกือบทุกองค์ ในยุคสมัยนั้นนะหลวงปู่ฉิมหลวงปู่ฟันหลวงปู่แว่นหลวงปู่จามหลวงปู่แหวนหลวงปู่เทศหลวงปู่ครูบาอาจารย์มากมายหลวงปู่ละหลวงปู่สิงทองหลวงปู่จวนเราเนี่แหละหลวงพ่อเคยเข้าไปหมดแต่เรื่องการดุด่าว่ากล่าวแล้วหลวงพ่อยังยอมมาลงตามหาบวรจริงจัง แหมดุฮะแต่ท่านดุโดยเป็นธรรมที่เรายอมได้เพราะเมื่อท่านดุแล้วเราก็เจ็บจริงเมื่อท่านด่าเจ็บจริงแต่เรานํามาทบทวนดูแล้วว่าอืมที่ท่านพูดไปนั้น่ะที่หลงตาที่พ่อแม่ครูอาจารย์พูดไปนั้น่ะที่ดุให้เราเนี่ยขณะนี้คราวนี้นะอแต่ขณะที่ดุเราก็สู้ครูเหมือนกันนะบางครั้งนะอแต่พอนํามาพิจารณาหลายหลายแง่มุม ท่านไม่ใช่มองมุมเดียวท่านมองหลายมุมเรามาพิษณุามมุ ม, มหลายมอง ม, มุมมองเราก็ยอมรับว่าที่ท่านดูคราวนี้ครั้งนี้ท่านไม่ได้จุดประสงค์เพื่อจุดนี้จุดเดียวท่านมีหลายๆจุดเพื่อตีให้คนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบแต่ว่าตีคนอื่นท่านเขาคงจะโกรธผมมันตีเราอย่า ง, างน้อยก็ยังเราก็ยังพอรับได้แต่ว่าเป็นประโยชน์ ต่อพระสงฆ์ต่อวัดวาสานาต่อผู้ที่เขามาเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดเป็นภาพารวมภาพรวมทั้งหมดเพราะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ดุให้เราหลวงพ่อจึงยอมรับแล้วไปอยู่ได้ถึงจะดุ ก, ก็อยู่ได้เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อยู่ได้ถึง 2,512 2525นะลูกหลาน10กว่าปีเนยะไม่เคยจำภาษาที่อื่นเลย นั่นก็ออกมาทา่า น, นกระจกมาที่นี่เพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้เล่ากล่าวอย่างพวกเราคือบางคนก็บอกว่าเขาลงในว่าว่านะมีพระองค์หนึ่งที่มีอายุพรรษาไม่เคารพหลวงปู่เลอย่างนี้เป็นต้นนะออยากจะให้พระองค์นั้น่ะไปกราบคารวะไปขอโทษท่านคงคงจะเกี่ยวคงจะคงจะมาถึงหลวงพ่อเหมือนกันนะคําพูดนี้นะ แต่ลุงพ่อพิจารณาดูตัวเองแล้วว่าเราได้ประมาทครูบาอาจารย์ไหมปัญหาประมาทตรงไหนเราก็เคารพนับถือเป็นรุ่นพี่ของเราแต่จุดไหนที่มันจุดอ่อนจุดแข็งเราอยู่ด้วยกันเราก็รู้ว่าพี่ของเรานี่จุดอ่อนคืออะไรจุดแข็งคืออะไร เ, เรารู้แต่จุดอ่อนเราก็ว่าบอกว่านจุดนั้นท่านอ่อนนะ จุดอ่อนท่านอย่าง น, นี้นะท่านว่าไม่ใช่วคาจะรู้หมดทุกอย่างแต่พวกเราท่านทั้งหลายที่มาศึกษากับหลวงพอ่อก็เหมือนกันหลวงพ่ออินโขเก่งหมดทุกอย่างนะคอมพิตองคอมพิวเตอร์เอสร้างจารวดดาวเทียมอยู่กับหลวงพ่ออินทั้งหมดเพวกเราก็คงจะไม่คิดอย่างนั้นเหมือนกันถ้าคิดอย่างนั้นก็พวกท่านทั้งหลายก็โง่เลยสิยกยอ ป, ป้อนยกเอขึ้นมาเดี๋ยวไม่มีเหตุไม่มีผลอสิ่งไหนที่ หลวงพ่อทำได้บอกได้พูดได้กล่าวได้เป็นตัวอย่างได้พวกท่านทั้งหลายก็ต้องบอกหลวงพ่อของเราเนี่ยจุดนี้หลวงพ่อจุดเป็นจุดเด่นของหลวงพ่อนะจุดนี้เป็นจุดด้อยของหลวงพ่อนะจุดนี้เป็นแนวทางสาหรับพวกเราดำเนินเดินตามหลวงพ่อได้พวกท่านทั้งหลายเข้ามาศึกษากับหลวงพอ่อก็หลวงพ่อก็มัน่นใจว่าพวกท่านทั้งหลายต้องคิดอย่างนั้น แต่ไม่ใช่ว่ามีอะไรหรือหลวงพ่อเนี่ยสยามภูรู้จักหมดทุกอย่างไม่ใช่หลวงพ่อเองบอกเลยลนะลูกหลานนะถ้าพวกลูกหลานคิดอย่างนั้นลูกหลานควรคิดใหม่ไม่ควรจะคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นบอกคิดแบบโง่ๆนะหลวงพ่อยอมรับไม่ได้ดังนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาศึกษาสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ออย่างหลวงพ่อเขาบอกว่าอย่าให้เขาไปกราบคารวะ หลวงปู่ลีพอหลวงพ่อได้ประมาทเอาจะมารู้จักหลวงพ่อได้ยิ่งกว่าหลวงพ่อได้ยังไงหลวงพ่ออินรู้แก่ใจว่าหลวงพ่อประมาทหรือไม่ประมาทรู้แก่ใจแล้วก็เมื่อไม่นานมันได้หลวงพ่อก็เองได้นำจตุปัจจัยของวัดเราไปถวายร่วมสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงปู่ลีเดือนนี้ต้นเดือนมีนาถวายห้าแสนบาท จากนั้นต่อมาหลวงพ่อไปงานของคุณแม่ชีแก้วอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาก็ไปถวายหลวงปู่บุญมีอีกที่ท่านจะสร้างพระเจดีย์อีกห้0แสนบาทถ้าหลวงถ้าหลวงพ่อไม่เคารพครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อจะถวายทำไมเ ง, เงินถวายสี่หแสนเน่เป็นถวายหลอกๆเล่นๆอย่างนั้นใช่ไหมถ้าไม่เคารพออกมาจากใจจริงๆใจแล้วหลวงพ่อจะจะจ ะ, จะทได้อย่างไงเนี่ย เพียงแค่นี้ทํำไปโง่เกินไปพวกเราทนทั้งหลายคงจะรู้เราเคารพในครูบาอาจารย์เราไม่เคยประมาทผาดพังแต่พวกท่านทั้งหลายเองไม่เคารพหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินก็ยังไม่เห็นว่าไอ้พวกท่านทั้งหลายอถ้าพวกท่านทั้งหลายไม่เคารพหลวงพ่ออินเอาดอกไม้อจักรวาลมาคารวะหลวงพ่ออินนะหลวงพ่ออินไม่เคยพูดนะอไม่เคารพหรือไม่เคารพเป็นหัวใจของพวกท่านทั้งหลายเอง หลวงพ่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวใจนั้นนะการคารวะไม่ใช่ว่าพวกเขาบอกว่าหลวงพ่ออินต้องไปคารวะก็ไปคารวะตามที่เขาบอกกล่าวเพราะเขาบอกว่าให้หลวงพ่อไปคารวะกูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่เคารพก็แสดงว่าหลวงพ่อยอมรับเฮาหลวงพ่อเนี่โง่มากเขาบอกยังไงก็ปฏิบัติตามตามที่เขาบอกเขากล่าวเ อ, อพูดไปตามกระแสเี่ย หลวงพ่อไม่เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อนับตูหัวใจต้องคนตัวเองอยู่เราเกิดมาในโลกนี่ปฏิบัติมาถึงขนาดนี้ถึงห้าสิบกว่าพรรษาเกือบจะหกสิบพรรษาอยู่แล้วดีหรือชั่วเราไม่รู้หรอกควรไม่ควรเราไม่รู้ล่ะกผิดถูกเราไม่รู้ ห, เ, หเอกจมลาให้พวกเด็กหัวท่อคอมปั้นมาชี้นําชี้แนะซักจุ่มจมูกข้องเราไปควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้อ ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเป็นของหลวงพ่อเองจะทํำยังไงเป็นของหลวงพ่อเองบาปกรรมทั้งหลายหลวงพ่อทําหลวงพ่อรับเองหลวงพ่อตกนรกเองถ้าหลวงพ่อละกิเลสได้หลวงพ่อขึ้นนิพพานเองไปนนิานเองไม่มีใครที่จะมาชี้นาชี้แนะให้เราได้กรรมคือการกระทําเราทําดีแล้วจะชั่วได้ยังไงเราทําชั่วแล้วจะดีได้ยังไงเมื่อเราทําชั่วนะ พ น, นั้นต้องเชื่อตอนเองออย่างองค์หลวงตาก็เหมือนกันมามากล่าวถึงปฏิปทาของหลวงตาแล้วนะที่นี้นะหลวงตาเนี่ยถ้าว่าท่านดุให้พระนดูให้พระเพระบางองค์ก็ใจน้อยเยฉินนิสุก็เลยว่เห็นว่าท่านดุก็ถือขันคารวะถือขันดอกไม้เข้าไปพอรู่นดูตอนเช้านะถือขันดอกไม้เข้าไปเพื่อไปคารวะท่านสำมา สำมาลาโทษว่าได้ไ ด, ได้ได้ผิดไปหลวงตามันเอามาทาไมเอาดอกไม้ทูบเทียนมาตอนนี้เหรอหัวใจของท่านมันยังไม่ยอมมันก็จะไม่ยอมถ้าหัวใจท่านยอมนาจะมาทำไมดอกไม้ทูบเทียนปูยงข้าวปลานะ่อย่าเอามานะมันทาไมเนะี่ยเราไม่ได้เห็นว่าดอกไม้ทูบเทียนเป็นสิ่งสำคัญนะเราเห็นหัวใจของพวกท่านสำคัญกว่าอย่าเอามานะ อันนี้ท้าว่าพวกเราอยู่ในรุ่นเก่าๆนะแต่รุ่นหลวงพ่ออยู่นะหลวงพ่อได้ยินอย่างนั้นทุกครั้งจะเป็นคณะศรัทธาญาติโยมก็าตามที่มาคารวะอของท่านที่ว่าสัมมาลาโทษเนะี่ะว่าได้คิดผิดทําผิดนะมีแต่ท่านจะเวียงเข้าป่าทั้งนั้นบางที่เวียงจริงๆอพอเขามาเลสั้นสิทธิ์เท่งไปต่อหน้าเลยเนี่ยหลเรีว่าลวงตาดุนะ อ, อย่างนั้นแหละลูกหลาน หลวงพ่อมาพิจารณาดูแล้วเหตุผลกรรมคือการกระทําไม่มีใครใครที่จะรู้ยิ่งกว่าหัวใจของท่านเองท่านจะเอาดอกไม้ทูบเทียนมามันหลอกหลอกหลอกหลอกล่อเล่นๆทาไมหัวใจท่านคิดยังไงท่านเป็นพลคนรู้เองถ้าคิดถ้าท่านเข้าใจถูกแล้วมันก็ถูกถ้าท่านยังเข้าใจผิดอยู่เนี่ยถึงจะเอาดอกไม้ทูบเทียนมากับเท่านั้นมันมีแต่มาลอ่อเล่นเฉยๆหัวใจของท่านยังไม่ลง มันจะเกิดประโยชน์อะไรนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงตาที่ท่านอยู่หลวงพ่ออยู่กับหลวงตาได้สังเกตทั้งหมดนะลูกหลานนะอันนี้ให้ลูกหลานไปฟังเอาไว้ว่าที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเป็นยังไงนะนี่แหละหลวงพ่อพูดแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาอที่ท่านดุดาว่ากล่าวให้พระเนี่ยบางทีเอพระบางองค์พอไปถึงแล้วกับนะ่ะไปนอนฮะ อท่านคนเนี่ยพอตกตอนค่านะอพอตอนหัวค่ำเนะี่อท่านจะเดินจงกลมซะก่อนพอเดินจงกลมเสร็จแล้วทุ่มสองทุ่มเนะ่ะท่านจะลัตตะเวนแ่ะวนะรัตตะเวนวัดของท่านพอวัดของท่านนะ mm hmm. เนี่อมันเพียงร้อยหกสิบไร่เท่านั้นเองแต่กุติก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่มันไม่เหมือนของหลวงพ่อเนะ่ยท่านหลวงพ่อกุติแคบๆหลวงพ่อก็จะไปตะเวนพระหลวงพ่อเหมือนกันนะ ตอนนโอ้โหเดินไม่ไหวขาลากเลยเพราะมันพันกว่าไรใช่ไหมลนะ่ะทั้งทั้งขึ้นเดินลงทั้งขึ้นมอด้วยเอทั้งลงถูงลงต่ําอีกต่างหากเนพระกูอยู่ไกลกันอีกต่างหากเไอ้พระบางองค์ขี้เกียจภาวนาก็คงจะสนุกนอนละกันนะอพระหลวงพ่อไม่ได้ลาดตะเวนเพราะเหตุอะไรเพราะว่ามันกุฏิไกลกันเลอกเกินกว่าที่จะหลวงพ่อจะไปลาดตะเวนแต่ละกุฏิเนี่ยกลับมาก็คงเยอะ คงจะหายใจหักหักหักเหกมือนกันทำไมเพราะกุฏิลงพ่อพันก่อไร่ใช่ไหมละ่ะเพราะนั้นตอนหลงตาเนี่ยหกสิบร้อยหกสิบไร่แล้วก็จุดกุฏิของพระเป็นกระจุกอยู่ไกลๆกัน <c oughs> ที่ท่านสร้างขึ้นมาไม่ห่างกันเท่าไหร่เพราะนั้นการอยู่ด้วยการต้องระมัดระวังเวลาเราจะขึ้นไปกุฏิน่ะปิดประตูปั้งทำไม่ได้เวลาปิดประตูเราก็ค่อยถ้าเป็นประตูเลื่อน เป็นไม้เราก็ต้องค่อยๆยกอไม่ใช่ดึกฉากยกทีเด็ดเดดเ็ดดดไม่ใช่ล่ะไท่านที่องค์อยู่ใกล้ๆท่านภาวนาท่านก็เสียสมาธิออองค์นั้นขึ้นกุฏิแล้วะอย่างเนี้ยเลือกไปปิดฝาหม้ออย่างนี้เหมือนกันเวลาปิดฝาหม้อกลวงลึกปิดฝาหม้อที่ล้างเท้านะเสียงเหล่านี้นะหรือว่าความขันก็เหมือนกันเมื่อปิดฝาหม้อเลยใส่ความขันใลยดังกล้องร้องอีก <S <S <S <S อย่างนี้ไม่ให้มีเลยหล่ะอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันนะเวลาเดินจงกรมนะจุดเทียนหัวท้ายอะไรก็เดินจงกรมแต่กลัวที่สุดก็คือตะขาบนะงูไม่กลัวเท่าไหร่งูไม่ค่อยออกกลางกลางคืนนานๆจะเห็นงูออกกลางคืนโดยมากตะขาบนะพูนเปี้ยนพูนเปี้ยนพูนเปี้ยนพูนเปี้ยนทํำไมทำไมจุดไฟนะเรากลัวตะขาบนะตะขาบบานตาดมีเยอะนะแต่เราเห็นทีไรก็ต้องเตรียมกระป๋องไว้เหมือนกันนะ กระป๋องนะี่ยกระป๋องพลาสติกกระป๋องเปิ๊บเนะปปี่ยพบป๊บพกอะไรเนะ่ยตรงเตียไมไว้ข้างๆกุฏิถ้าเห็นแล้วก็รีบหาไม้แล้วก็เขี่เขาเลยเอาไปปล่อยที่อื่นถ้าไม่ปล่อยที่อื่นเดี๋ยวอีกไม่นานเดินยังกลมมาหมดพวกมนเปี้นยนผลผลในส่วนเลยเป็นสัญญาเป็นสัญญาคล้ายๆวิตกกังวลนะตะขาบตอนนั้นมันจะออกมาหรือเปล่าใชลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นนะเราก็รรีบ เขี่ยเข้าปิ๊บซะแล้วก็ขังไว้ซะก่อนอผงี้เช้าเมื่อโอกาสกว้างๆเรานุ่นเรายังค่อยออกไปปล่อยนู่นวัดมุมใดมุมหนึ่งไปเขีย่ยออก เ, อเราไม่ฆ่ามันหรอกไปปล่อยมันซะนี่แหละพวกตะขาบนะงูก็เหมือนกันนะถ้าเห็นถ้าใครเห็นงูล้วก็จับปปจับไปปล่อยถ้าเป็นงูใหญ่ก็จับไปปล่อยนู่นหวาดงพงไพรที่ไหน ก, กว้าง หลวงพ่อยังออกมาปล่อยถ้ำกองเพนก็ยังมีงูจงอางนะแต่สมนะัยนั้นถ้ำกองเพนบ้านคนยังไม่มากนะหลวงจับงูจงอางได้ใส่รถมานะเอามาปล่อยนี่แหละคือถ้าเป็นงูเป็นสัตว์ดุร้ายนะหลวงตาแช่ออกจากวัดทั้งหมดก็ทั้งแมวแมวทั้งก็ไม่ให้อยู่นะมันไปทำมันไปกินลูกพวกลูกกระจง กินกระรอกกระแตกินนกมันเก่งนะกับแมวเนะี่ะวันนั้นทางพระต้องทันต้องจับออกอันนี้ก็คือที่เราเดินยงกลมนะเวลาตอนหัวค่ำพอค่ำแล้วก็จุดเทียนนะเดินยงกลมภาวนาฝึกสติฝึกสมาธิขาขวาพุทธขาซ้ายโทอ ย, อย่างที่กูบายจานหลวงปู่ ท่านสอนแต่สมัยปลวงพ่อเป็นเนรมาแล้วเรื่องเดินยังกลมนะแต่องค์อื่นท่านจะทํายังไงหลวงพ่ออจะไม่พูดเพราะเป็นเรื่องของท่านนะแต่เล่าเรื่องของหลวงพ่อตัวเองนะอหลวงพ่อได้เดินยังกลมเวลาจะเดินจุดทูปเทียนเสร็จเรียบร้อยจุดเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ส, สวงสว่างขึ้นมาแล้วไปอยู่สุดทางจงกรมด้านใดด้านหนึ่งสุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งะจากนั้นก็ประนมมือคือไหว้ ครูซะก่อนพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสาธุนิพพานังและก็ไหวครูบาอาจารย์ที่เราที่ท่านแนะนําสั่งสอนเราที่เราได้รู้จักศีลรู้จักธรรมรู้จักวิธีการปฏิบัติยกมือไหวในใจแต่นั้นมือลงพอมือลงกับขาขวาพุทขาซ้ายโธพุทโธพุทโธพุทโธให้สติอยู่กับตัวเองตลอดทํามันเผลอไปก็ บ, บังคับให้มันอยู่กับตัวเองโดยมากเดิน เดินประมาณสักชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าๆนะพอกลางคืนประมาณทุ่มสองทุ่มกว่าเนะี่ยะเราเดินย่กลุ่มจากนั้นเราก็พอเดินเสร็จแล้วก็ดับเทียนพอดับเทียนขึ้นกุฏิแล้วเนีเมื่อเรากุฏิเวลาจะเปิดฝาหม้อล้างเท้านะมันเป็นโองนะ่องโอ่งเล็กๆนะีที่พระเขาขนน้ามาตามสงตามกุดต่างๆนะสงห้องน้บาบังสงที่ล้างเท้าบางนะังเนี่ยที่หลวงพอ่อปู่รลวพระโยก รถสามสี่คันสององค์ส่งส่งไปคนละสายละสายกันก็ส่งตามกุฏินะ่ะที่ล้างเท้าพอก่อนขึ้นกุฏิต้องล้างเท้าก่อนนะถ้าไม่ล้างเท้าปรับอบัติทุกกฎมันเปือนมันเปื้อนเป็นโทษะเป็นอวบัติพอล้างพอเสร็จแล้วเราก็จับขันค่อยจับขันไม่ให้มันดังกล้องล้างพอจับขึ้นมาแล้วก็ค่อยค่อยเปิดฝาองคพอเปิดฝาองค์เสร็จแล้วก็ น้ำล้างเท้าเราก็นั่งนะบางทีเรานั่งพอนั่งเสร็จแล้วน่ะเอามือเอามือถูเท้าของตัวเองอีกต่างหากะไม่ใช่เอาตีนถูนะเอามือถูถูถูถูล่างล่างล่างล่างลาลางเท้าเสร็จแล้วก็วางฝาโอ่งวางฝาโอ่งถ้าวางตรงๆเนี่ยมันจะดังกรงลงจับขึ้นมาต้องแตะฝาองค์ข้างใดข้างหนึ่งพอแตะแล้วก็ค่อยงับลง นี่แหละคือไม่ให้ฝ้าอ่งดังจากนั้นก็ขันน้ำก็เหมือนกันเวลาเราจะวางขันน้ําเราจะวางกล้องล็อกไม่ได้เราต้องแตะข้างหนึ่งซะก่อนในฝ้าอง่งเราจึงค่อยวางลงมันจะไม่ดังจากนั้นก็ขึ้นไปก็เช็ดเท้าเอาผ้าเช็ดเท้าเช็ดตัวเองให้เรียบร้อยจากนั้นก็ค่อยเปิดประตูมันเคยดังไหมถ้ามันดังเราก็หาน้ํามันเครื่องอะไรไปใส่ ที่บันพับไม่ให้มันด่งเ e อ๊ะเนี่ยเราก็รู้ใช่ถ้าเป็นกุฏิที่เป็นไม้ไผ่เวลาเราจะพักไปเราก็ต้องยกเสก่อนคอยยกพอยกเสร็จแล้วเข้าไปแล้วเอาไม้คัดทั้งข้างในไว้เหมือนกับลูกกรอนอ่ะจะเอาไม้ไม้คัดเพื่อเวลาลมตีกลางค่ำกลางคืนมันจะไม่ดังกุงกังกุงกังนะแล้วคัดไว้เสร็จเรียบร้อยล้วก็เข้าไปทําวัด แต่ขณะที่เราเดินจงกรมน่ะ น, นะหลวงตาราดตะเวนเนะี่ยหลวงตาจะดูดประมาณชั่วทุ่มกว่าเกือบสองทุ่มนะ่ะท่านจะเดินนะเดินเสียงไม่ได้ยินเนละหลวงตาเดินนะใส่รองเท้านะ่ยชับชั บ, ช, บชับนะนะั่นไฟฉายนี่ท่านจะไม่บีบแดงโล่ไปตลอดไม่ใช่ไหมแมปคือแมปตานั่นแหละแมปประวัตไปเห็นมองไปไกลไม่มีงูไม่มีสัตว์แล้วก็เดินเดินไปแมปอีกครั้งสอง เดินเดๆนเดิน เ, นเนแมสงสามเราเราเห็นเนี่ว่ามทนรู้แล้วไฟไฟหลงตาเรารู้เลยเหมือนันเป็นที่รู้กันเลยทางว่าพระองค์ใดที่เป็นหมู่พวกเพื่อนกันเวลาฉายไฟเนี่ยก็ฉายเปรบสเ ป, ปรบปาสายสายไปเรื่อยเออแล้วแต่ไม่ได้ฉายออกนอกแต่ฉายในทางแต่มันบีบใช้ไฟฉายนานแต่หลงตานี่ยไม่ล่ะบีบแ a พแล้วก็เดินแมพ แล้ก็เดินมาแมบคล้ๆว่าส่องไปข้างหน้าไม่มีงูไม่มีตะขาบไม่มีสัตว์ไม่มีกิ่งไม้ไอ้ท่านก็เดินมืดๆไปอย่างนั้นแหละพอไปถึงสุดแลก็ตั้งบีบอีกบีบฉายไฟอีกอันนี้เป็นที่รู้กันว่าหลงตาะแต่พรุ่งนี้เช้ากันไปดูเอ็กลงตามาไหมคืนนี้ว่ะเราก็ไปดูลองเท้าอีกสังเกตถึงขนาดนะั้นลูกลานนะ่ะอยู่กับหลงตาเนะี่ยหลงตาเดินออกมาหน้าตะเวนเลย เขามาถึงกุฏิเราไหมเนี่ยนี่แหละสมัยนะั้นท่านเป็นยั ง, งย่างน้อยอย่างหนุ่มอยู่นะท่านเข้มงวดกวดขันนะท่านเข้มงวดกวดขันพระของท่านนะอหรือเกลื่องการภาวนาอจากนั้นท่านก็ไปแล้วท่านก็พักผรของท่านลน ะ, ะเราก็ไม่ได้เข้าไปใกล้แล้วเพราะต่างองค์ก็ต่างอยู่ของใครของเรานะนนี้ก็คือพระสมัยที่ ตรวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบ้านตาดสมัยนะั้นท่านยังอายุ60สิบกว่าเจ็ดสิบใช่ไหมล่ะท่านยังตะเวนยังเขี่ยมเข้มงวดขวดขันกับพระได้อยู่แต่พอมาอยู่ช่วงปลายๆชีวิตของท่านท่านอายุมากแล้วเหมือนกับเหมือนกับคนอายุมากะจะทํำยังไงได้ที่ให้เดินตะเวนเข้มงวดกวดขันเหมือนสมัยเป็นน้อยเป็นหนุนน่มก็คงเป็นไปไม่ได้อันนี้คือธรรมชาติของาธาตุขันนะ นี่แหละอันนี้ก็คือหลวงตากวดขันกับพระเน่นถ้าองค์ไหนในสมัยหนึ่งแต่ลวงก่อนลวงพ่อเข้าไปนะหลวงปู่วุ่มีกับพวกพระที่ท่านเล่าให้ฟังพระมาจากนะั้นมาจากขอนแกน่นมาจากที่ไหนท่านเดินทุรงมาพอเข้ามาท่านก็มองมองนูแล้วมันจะไม่ได้เรื่องพระองค์นี้ของจะลักษณะอย่างนั้นแหละพอมาท่านก็ไปเดินไปฟังไปตอนหัวค่อก็นอนโกนเกาะ เกาะกาะเอ๊ะทําไมองค์นั้นมันมานอนหรือเปล่าทนะ่านก็ไม่ได้ว่าอะไรพอดึกๆไปอกีกมันก็ยังนอนอกีกพอจวนสว่างนะี่ยท่านก็ยังไปหนอกไปสังเกตถึงขนาดนั้นเล่นดวงตาไม่ใช่ธรรมดาเนละเออได้สามคืนเท่านั้นละไปเออพอสามคื น, ท น, นเท่านั้นเออะท่านเออท่านไม่สบายเหรอไม่ครับผมสบายดีครับไม่มีอะไรเอท่านมาเนี่ยมันมาอะไรมาภาวนาหรือมานอนเออผมไป ดูท่านมาได้สามคืนนั้นดูละสังเกตท่านเลท่านนี้นะ่ะอยู่วัดนี้ไม่ใช่วัดเลี้ยงหมูนะเราไม่ใช่เลี้ยงหมูนะวัดนี้นะเราเลี้ยงพระนะให้ตื่นตัวอยู่ตลอดนะให้ภาวนานะเราไม่ได้ต้องการพระมาเป็นหมูนอนอยู่ทั้งวันทั้งคื น, นไปออกไปจันทร์ยังหันาหาเสร็จแล้วออกไปนะนี่แหละเวลาหลงตาไล่พระนะเป็นอย่างนั้นพราะพวกเราเข้าไปแล้วก็ต้องกลัวเลยที น, นี้ ใช่ไหมล่ะต้องต่างองค์กต่างละมัดระวัง เ, เพียวเกียรหงวดกวดขันกับตนเองให้การภาวน า, เ, าเดินโยกล้มนั่งภาวนาปักนี่แหละอันนี้ก็คือชีวิตประจำวันของพระประมาณสีทุ่มเนยท่านให้พักผ่อนอสีทุ่มกว่าเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเป็นนิสัยก็ั่างทุกวันนี้นะลูกหลานนะพอถึงสีทุ่มม่ไม่ต้องดูดนาฬิกาหาว่าพระว่าเลย ไม่ต้องดูนาฬิกาแล้วเออแปลว่ามันถึงสีทมแล้วยางนม่วาเนี่ยเอนี่แหละมันถึงสีทมมันนอนมันมันอยากจะนอนโดยอัตโนมัติแล้วเพราะเราเราเราเคยฝึกมาอย่างนั้นนะแต่ว่าตีตื่นนอนตีสามตีสีเนี่ยเอออันนี้บางทีก็ทะเลถลายไปบ้างแต่ท่านให้นอนตื่นตีสามตามปกตินะตื่นขึ้นมาก็ไหวพระแล้วก็นั่งภาวนาถ้ามันง่วงก็ลงเดินจงกรมจุดเทียนเดินจงกรม โดยมากก็เดินหงายก็ไม่ต้องจุดถ้าเดินหงายไม่ต้องจุดนะพอมันเห็นทางอยู่แล้วโดยมากที่เดินหงายแล้วกันต่างองค์ต่างเดินอยู่กลมของใครของเรานี่แหละอบางทีอยู่ในวัดปา่าบานตัดสมัยนะั้นพอเดินอพอเดินอยู่กลมกลางกลางคืนหนะมีมันเข้ามายนะมันมีหมีเยอะในสมัยก่อนนะลูกหลานน้ำบันตาดมีหมีมีเสือนะ เออหมีมันเข้ามามาเจอจาเอกกพระพระกระต่นพะพระหมีเ็ไปพอหมีอีกเหมือนกันนะวัอนีนี่แหละยังเป็นนิทานอยู่อันนั้นก็คือเป็นอาจารย์อาจารย์สแสวงนะที่เจอมีนะี่ก็เะเป็นหมูเพื่อนหลวงปู่ฟักแต่นี่ท่านก็มรณภาพไปแล้วเออเล่าเล่าให้ฟังนะสมัยลุงพ่อเข้าไปใหม่แต่ลุงพ่อเข้าไปนะมีตะเก้งนะในวัดป่าบันตามีตะเก้งหมูปา่า หมูป่ามีอยู่กับเก้งแต่พวกสัตว์เหล่านั้นไม่มีหละหมดหละบ้านเมืองกําลังเจริญอันนี้ก็คือแต่ลรไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวสัตว์เหล่านั้นหละ่ะเพราะมันไม่มีแล้วมีแต่กลัวแต่งูกับตะขาบเท่า น, นั้นแหละการคืนกับงูก็ไม่มีจะมีงูชนิดหนึ่งเรียกว่างูดุดงูดูดงูกินแย้นะตัวนั้นเป็นงูกระป่านะตัวนี้เขาผิดห้ายนะอ่ผิดหลาย แต่ก็มันไม่เข้ามาใกล้พระหรอกเวลาพระเดินยังกรมมันก็ได้ยินเสียงก่ออยู่มันก็ไม่ให้เข้ามาแต่ไอตัวตะขาบเท่านั้นอ่ะเออมันไม่ได้ฟังฟังอะไรมันพอมันมามันป่วนเป็นป่วนเป็นป่วนเป็นหมดหมนเออถ้ามันมาเกาะตีนพระแล้วก็มันไม่ว่าแล้วก็กัดเลยแหละมันพันแล้วก็กัดเลยนี่เราต้องนกต้องต้องระวังแต่หลวงพ่อเนี่ยบวชมาเนึ้อขนาดที่ไรตะขาบไม่เคยกัดนั้นลูกหลานะ งูก็ไม่เคยกัดพราระวังแต่มแมลงป่องเออมีอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะนี่แหละอันนี้ก็คือชีวิตของพระกรรมฐานที่เป็นชีวิตอยู่ในป่าที่ครูบาอาจารย์ท่านเข้มงวดขวดขันอย่างไรต่อสิทธิอนุสิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งอง์หลวงตาท่านเน้นเรื่องจิตภาวนาแต่ในครั้งนั้นก็ยังมีนะลูกหลานแต่หลวงพ่อไม่พูดเอาไว้แต่หลวงพ่อเคยพูดมาครั้งหนึ่งะล้ว สมัยท่สร้างท่านสร้างวัดใหม่ทานออกมาไม่กี่ปีเวลาท่านเนเข้มงวดจริงๆสมัยนั้นเวลาเข้าพ่อมาเนี่ยเป็นไงภาวนานจิตใจเป็นไงเดียเ๋ยวนียท่านลักษณะสอบอารมณ์ท่านพูดถามเลยแหละแต่บางองค์ก็ภาวนามันก็ไม่เป็นภาวนานั่งภาวนาอยู่แต่มันไม่เป็นเออตอนี้เนี่ย พระองค์นั้นก็คงจะลักษณะอย่างนั้นนะเอ่อคล้ายๆว่าอ่อน อ, อกอ่อนใจเอ่อคล้าว่ากวดเข้มงวดเรื่องกิ จ, จวัตรข้อวัดเรื่องอะไรด้วยผลที่สุดเนี่ยพระองค์นั้นก็เลยออกหนีขโมยออกไปนอกวัดหองออกจากวัดไปประมาณหนึ่งกิโลมไปผูกคอตัวเองตายฮะมีนะบัณตาลนะลูกหลานนะเออ ไปผูกคอตัวเองตายพอตายแต่นี่หลวงตาก็เลยชาวบ้านก็ไม่รู้วาหนีไปแล้วก็แล้วไปแต่ไม่รู้ไปไหนหัพระไปแต่ที่ไหนใดไปเห็นตะพาตีวออกับบาทแล้วก็เห็นเชือกแขวนไว้คนทั้งหลายก็โบกเฟกปวยวายกันโอ้พอมันตายมานานแล้วเพราะอยู่ในโ ด, ด่งดังตรวงบรนตานไมเฉด่ดงเล็กๆนะผลในสุดก็เลย มาถึงตำรวจตำรวจเข้ามาล้มตาก็บอกว่าให้พระทั้งหลายไม่ต้องให้ข้อมูลนะให้มาถามเราเพราะเราเป็นเจ้าของเรื่อง เ, อเราไม่ได้สอนให้ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายไปล้มไปตายเราสอนให้พระของเราเป็นพระที่ดีมีคุณภาพามีคุณธรร ม, รรมจริยธรรมเราไม่เคยนะเ จะไปถือโทษโกรธเครืองผูกพยาบาทอาการกับพระเนรในวัดของเราไม่มีมีแต่เราสอนอแต่สอนก็คงจะสอนแบบเข้มงวดกวดขันเกินไปแต่องค์นั้นก็เป็นองค์ที่กลัวกลัวเกินไปลักษณะอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือว่าพิจารณาดูเราตัวเองด้อยวาสน า, าไม่สมควรที่จะอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างนั้นหรือเปล่าหรือคิดยังไงก็ไม่ทราบนะ อ, าองค์นั้นก็เลย ผูกคอตัวเองตายจากนั้นมาหลงตาก็เวลาจะเข้มขงวดกวดขาในเรื่องนี้ท่านก็นต้องระวังอีกเหมือนกันนะท่านนี่กล mm ัว hmm. มันจะซ้ารอยในเรื่ององค์นั้นนี่แหละอันนี้ก็คือองค์หลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดนะที่หลวงพ่อเข้าไปแต่องค์นั้นองค์อยู่ก่อนนะองค์นั้นหลวงพ่อไม่ทันหรอกอันนี้มีแต่หลวงปู่บุญมีท่านเล่าให้หลวงพ่อพวกน้องๆฟังหลวงพ่อก็ได้ฟัง ถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ลูกให้หลานฟังกัเรื่องก็คงจะจบไปเ <c oughs> น, นี่ยหลวงพ่อพูดให้พวกเราฟังนี่แหละอันนี้ก็คือมันมีอยู่เออแต่กูบาอาจารย์เจตนาดีองคหลวงตาเจตนาหลวงพ่อเข้าไปแล้วเจตนาหลวงตาเนี่ดีมากเรื่องการสงเคราะห์อนุเคราะห์เรื่องจตุปัจจัยเรื่องอาหารการบริโภคนี่คําว่าขี้ตะนีทีเดียวไม่มีในองค์ท่านไออม่ต่แจกแบ่งใครมาก็ให้แจกแบ่ง ท่านบอกว่าคนขี้โกรธหรือคนเราครบได้แต่คนขี้ตเนีทีเหนียว เ, เราครบไม่ได้คันว่าเข้ากับเราไม่ได้คนขี้ตเนีทีเหนียวคนเห็นแก่ตัวเน่เข้ากับเราไม่ได้แต่คนมีขี้โกรธมีเหตุมีผลมีปัญญาโกรธดุด่ด า, ว า, าว่าเก่าเราเข้าได้หลวงพ่อเขาฟังนี่แหละหลวงพ่อกลักษณะอย่างนั้นเหมือนกัน กูบายานดุดาว่ากก่าวมีเหตุมีผลหลวงพ่อยอมรับก้มหน้าพอเราเข้าไปศึกษาสิ่งไหนที่ท่านพูดผิดหรือพูดถูกเนี่ยเราก็จะได้ น, นามาบอกกล่าวหลวงพ่อที่เอามาบอกลาาลกล่าวคณะจตธายาโยงพระเนรลูกหลานของหลวงพ่อทุกวันนี้นเนี่ยหลวงพ่อได้ศึกษามาอย่างไรปฏิบัติมาอย่างไรต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ใช่ว่าเขาชักนาไปยังไง เขาให้ทํำยังไรก็กทาตามที่เขาบอกเขากล่าวอันนั้นแปลว่าไม้ปักขี้เลนไม้ปักขี้ควายหากดหาเกณฑ์ไม่ได้เ อ, อเราไม่เป็นอย่างนั้นเราต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําถ้าเราคิดดีแล้วจะชั่วได้ยังไงถ้าเราคิดชั่วแล้วจะดียังไงเมื่อเราคิดชั่วใครเป็นคนรับกรรมนั้นเราเป็นคนรับเราจะไปนรกเองฮะถ้าเราคิดดีแล้วตัดกี้เลนได้เราไปนิพพานเองไม่ต้องให้ใครไป มาชั ก, ชกนำชีนําเราเราบวชมาขนาดนี้อยู่ขนาดนี้เราไม่รู้จักเลยดีหรือชั่วควรไม่ควรอย่างไรสูงหรือต่ำรู้ไหมถ้าไม่รู้ก็โง่มากเะไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดกันนะเอาวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเร า, เอาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร